หนุดวิปัสสนาคืองานหลักสมถะคืองานสนับสนุนวงเล็บเปิดยี่สตุลาคม25งพหในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทียี่ิห้าวงเล็บปิดงานหลักของเราคือเจริญปัญญางานหลักของเราคือวิปัสสนาสมถะคืองานสนับสนุนต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานสนับสนุนถ้าใจเราฟุ้งซ่านมากๆเราก็ภาวนายากก็ให้ทําความสงบเข้ามา พอจิตใจสงบสบายแล้วก็มาตามรู้กายตามรู้ใจอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าแช่อยู่ในความนิ่งการแชร่อยู่ในความนิ่งนั่นแหละเรียกว่าเกยตื้นไปไหนไม่รอดหรอก